<Book> two. สา o k 2้นการทำความรู้จักซีเรียสสวัสดีค่ะคุ n นิชิวสวัสดีค่ะคุ n นิชิ สบายดีไหมคะโอเเกงดสกคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะยุโรปปะการังคุรคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะアเมカからาられたのですかคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะアジアからจียたのですかส คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะどちらのホテルにお泊りですかคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะこちらにはもうどれくらいご滞在ですかคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะどれくらいご滞在の予定ですかคุณชอบที่นี่ไหมคะ ここは気にりましたかคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะこちらでは休暇ですかมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ一度来てくださいนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะこれが私の住所ですเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ 明日会えますかขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างพรุ่งนีババ้ดีาะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างอนค่ะคะ้ไวาพ่ันไาอนะคะ่อนะค่้วะะพรันนะคะ้วพันนะคะมาน